ก็ว่าเลยไปไม่สุ่ยเดียบถอเป็นท่าฝนยาให้คนไข่จิ้มที่บ้านทั้งปากเราว่าวไป้ามเดยไปไข่เป็นยังนี้ปวยเป็นยังได้ยังกันทังฝนฝนเลยไปทั้งตาเ้วบูมือนั้นแจกหนามนว่าฝนจะพางเหมว่าฝนถ้านลงเหมอนว่ายังไงงามหนาวฝนเราไปจุ่มเหมืฝนเหมือฮะฝนเหล่าเราอ๋อจินมมือดุ้งนามบุญยิ่ชัดหยาบเดียวได้ข นี่แต่แกว่าจะกล้วยใหญ่ฝนต้องเมื่อไปขึ้นขันมันเย็นเนี้ยอนเอาม่นเอาหางมามฝนเงินมันฝนแล้วเราซุกโอ้ไปไหนวุนมีน้ำจัดยากหัวฝนขันไปหรวนขันมากพู้ไข่ก็เลยเศร้าเน่นั้นจะมี่ได้เห็นดอกมี่มันเน่านันงหามือไข่เนี้ยอยามาเป็นเน่านั่งดี ต้งไมเกประโยน์เก่าอยวาไปื่อทั้งผู้เสียเวลาทั้งผู้ฟังม่ไปเกิดประโยชน์ให้แค่ยะผู้ออกเกิเสียเวลาผู้ฟังกบขาดทุนน้นึกคิดัปรุงขายใจของตัว เด็กๆเล็กน่อยเนาะหลายหมีเนาะเราเลกหน่อยบางหน่ะโง่พีอเล็กน่อยตั้งละหมีเนาะฟังเลยเนี่ยฟิวสิบโวามาทำมวยฟังจาดกันย่ำกันไอ้กัน อยู่ตรคู่เวลาสังข์ธเรารบในเลื่อของธรรมมันจะเป็นบุญนธ์ห้าบกขลบเมาจาะเปากเกูจะแต่ก็เป็นรอยยิ้ง้วบบอย่างนด้ั่ง้างบกใจมันก็บได้ผลได้ประโยชน์นอกจากนั้นก็รบกวนประสาทของผู้อื่นผูอนต่อกตงใจฟังเป็นบาปเป็นกรรมเกิดมาศานาหูหมวก ใครบอกเอียงกับบริญีอยจับของรบกวนหมือเวลาตื่นเพื่นต่างคิดต่างใจเป็นสมาธิภาวนาตั้งสมาธิโม่แล้วเาบอกว่ามันคุยความนี้บริทรุปในอ่ในถ้ำมันบดีมันเป็นบาปเป็นกรรมใจจบของเน้นบอกหูหนวกในศาสนาไดหลูกได้เต่ามากกว่หูหนวกพร้อมเนี่ย อื่นเธอไดบอกเธอได้มกับยินให้กับบริจกได้นันันได้มากูเผาคัวได้แต่ทำในเผาขั้วนั่นเหยียบไหแนวกูหนวกเหรวกูหนวกขาวกับคนักได้้วว่างรักษาเวลาเป็นบอกคจินเจอหน้าหลบในธรรมอะ สัตว์เจล้สารมันฟังโมโหโขโขใจไม่ยั้งเลยไปสวรรค์อย่างสันวะไว้ในข้างข้าวมันยิ้มเสียงท่ำมันหลุ่นเรองมันเทิงใจมันยิ้ดีเดือมใสมันตายไปมันก็ะเด็นไปเกิดเป็นเสือพระวุธเสือพธีดาสันวะธรรมะสามารถสวยชีวิตของสัตว์ของมนุษย์ให้เด็กเราความรู้ความสบายอย่างนั้นเฮ้อหรอนีแต่จะโอ้แล้วน้อขึ้นจังกวาอยากฟัง กันบ่โอแล้วนอแล้วว่าอย่าฟังกันฟังแนวนันมันบ่เป็นเป็นผลเป็นประโยชน์อีหยังดอกฟังห้อฟังล่ำฟังให้ยิดหายใจของเฮาเกิดเพลินล้มไหลมัวเมาประมาทเกิดราคาตัญหาเกิดบ้าเกิดบอขึ้นเขาฟังชมาชโมงจริงเรื่องที่ได้ความหูมาประดับตัวของเฮาอันใดดีตั้งแต่สอน หายยัดหายท่อมอันได้ตัวกันจะบอกหาละหาทถอนหนีคือสอนเรื่องท่อมท่อมมันเป็นเรื่องคือสอนคนให้หงุจักคิดถูกดีตัวส่วนหล่องส่วนล่ำหนึ่งท่อมเสริมเรื่องที่เหลือตันหาราคาขึ้นเพราะหงูเหี่ยวตรงเสริมปูเสียงต่างๆไ่ จิตใจมันคิดมันนึกมันปุ่งมันแต่งไปในช่างตัวช่างเสียโดยปกติมันก็มีอยู่แล้วคือกันก็ไฟมันมีอยู่แล้วเขาเอาฝอยไปใส่มันก็ลุกขึ้นไหมเผาจิตใจของเฮาแตมีราคาตันหาอยู่ทุกคนพอไปเห็นอากาศที่เลี่ยนที่เขาทำทาที่ยางหนังยางนี่เขาเวาเขาล่ำให้เพื่อให้เพื่อนมันก็หลงไฟไง บางผูบางคนห้ามคิดห้ามใจว่าใดก็เลยเสียเหนื่อเสียตัวไปเพราะไปได้ยินได้ฟังไปเห็นอากาศศีริยาไปเห็นเรื่องราวต่างๆหน้าหน้าถึงมันหัวยุคยใจให้ปั่นพวนเหล่ารอดมันเป็นไปได้แต่คนก็นมีย่มพุ่มซอกเรื่องนั้นมากกลัวเรื่องธรรมะพอมันเรื่องพายเนี่ยน้ากระแทน้าเงินบ่อพายมันก็ไหลเยอ่แล้ว น h, ân, cuanto, it, If, ั่นก็เลยมีงมกันเสียเงินเสียทองเสียเข๋าเสียของเสียบ้านเสียขึ้นก็ยิ่งดีไปดูไปเบิ่งไปฟร้างกันสร้างมาแล้วได้อีกอย่งนอกจากได้ความคิดความปรุงความใจไปในทางชัวทางเสียเรื่องสีมาปรับปรุงยิบใจให้ยิบให้ดีบ่ค่อยมีดอกขันเบยางนั้นมันกับขันโบเพิ่นนั่น้นสับขันโบสอบ สุเทพนี่แหะคนบุกไปอบเดี๋ยได้จังบุกไปสอบมันบ่อยอยู่ยิดใจให้เพลิดเพลินให้มัวเมามันบอกคนซ้อนเรื่องสี่เส้นสาราประโยชน์แใจชิดใจของเขามันบ่อยากเอาเรื่องออล้าให้มันอยากไหลไปทางตามทางตัวอยู่ยังสั่นแต่นั่นการมาฟังเสียดฟังช้า ม, มันจะมีน้อยการเขา่าบ้าเขา่าบ้าเขา่าลง อิเคียลงหนังมันจังหลายเวลาเขามาสายมาท่ามขึนฟังาสร้างเป็นการเป็นสมัยเบื่อไอ้เสียวทาจ่างล่างว่นอันใดที่นางของเท่ากับสะดวกสบายกสร้างหล่อสร้างร่าดูหนังพอมีที่ไหนั่งสล่มสล่าสะดวกสบายบ่ถูกนำ้ฝกนำฝ่าหนังฝนนำหมอกนําข้างอันใดมาตกใจ แช่เหากับคนบ่เหลี่ยมสายว่ยิ่ดีเห็นว่าธรรมะบัเป็นเรื่องสาคัญบ่พาให้เพื่อนให้เพื่อนก็ได้บ่สนใจกันแต่ความจริงธรรมะนั่นเป็นเรื่องสําคัญสําคัญก็ถูกจริงทุกอย่างหาภูมิทิศภูติมีธรรมะในกายในใจของตัวจะเป็นผู้เร็กเด็ดน้อยภูเถ่าภูแกชเพิ่นกะ แากกะหอมเป็นลูกผู้ไดก็ดีร้านผู้ไดกตดีหากเขามีธรรมะในตัวแล้วผู้เถ่าผู้แกกะยิ่งดีเหลี่ยมใสลูกผู้ได้เพระพื่อตัวดีมีอัดมีถ้ำเขารบเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาใจใส่ในละเอบแบ่กงกันเงินตังตังผู้นั้น เป็นผู้ที่นี่ทำมาเชื่อสร้างของผู้รักผู้ใยของฟอ้องแม่บอกนอนซ้อนได้เป็นลูกผู้ได้กับผู้นั่นกันมีหนาหนี่ตากูคข้นขนนั่นก็นมีุ่่นนี่าเด่นผู้นิ่งกว่าดีเป็นผู้ใช้กวดีมีผู้นําไปสันแลเสริญไปงอกงอกบานใต่บานเนื้อแต่ว่าลูกผู้นั้นน่าอิริยามาบยาดดีดีเสะนอะเทศกาลงาน แต่น mm ีบ hmm. <publishing S 1> mm ่ตอบถอยเทียงความพอไม่ได้ใส่อันใดกะเหตดกะท่ำมอันนั่นบ่ทกบ่เทียงไทยกันยังได้กันคุยงเขาก็อยังได้เป็นหลูกไผ่ผู้ใต้โทษกิดยังได้เป็นเป็นหัวเขยพรามันดีมันหมดเป็นคนมาตล่นมักเพื่อนหมเป็นคนบอกเงาซ้อนงาเป็นค้นสิ บอกนอนซ้อนได้คือคนมีธรรมะในกายในใจเป็นฟูเ้เล็กเล็กน้อยผู้ไงผู้เป็นพอเป็นแม่เป็นป่าเป็นรุ่งเป็นทีเขาก็เหลี่ยมใส้ชัดถ้าเขาก็ยิ่งดีป่าชนะรุ่นเล็กเ็กแดงเต็มเป็นหุนหน่องของเห้าเขาก็เข้าลบพอมีขูนมีสัตว์ แต่วพืชไปที่บัตรตัวดีเป็นผู้เถ่าผู้แก่เป็นพอเป็นแม่เป็นป่าเป็นลุกเป็นไอเป็นเอเย่ถึงอายุแกก็เฮาผ่านช่วงนั้นประพืชธรรมะเฮาใสเหลี่อมไซส์แคททาในคนนั้นนั็นผู้เถ่าผู้แก่จะเป็นเจดีย์ของหลูกของหลานนากราบณาว่ายพอมีอัจมีถ้ำบอกมันเท่าสิบอกบน้นนอนงซ้อนบอ่อใดบอกมันเท่าสิ มุงหัวจักอาจจะทําอันใดเบาอันใดเขากเสื่อกระแงพ่อผู้เฒ่านี่อาจมีถ้ำประจำกายประจใจมันจะงามทั้งผู้หน่อยทั้งผู้ใหญ่บคือเสื่องประดับข้างนอกเสื่อประดับข้างนอกงามตามไวผู้ใหญ่ใสงามเด็กหน่อยใสกับผโบเป็นตาเบิงเด็กหน่อยใสงามผู้ใหญ่มาใสกบเป็นตาเบิงคือปูส้นละ เด็กหน่อยผู้สาวเขาใส่แบเป็นตาเบิงขันผู้เฒ่าหัวหงอกหัวขาวมาใส่เลโอ้ยหัวขวนกันตัวมันบอกเป็นตาเบิงมันเป็นของสีลถูกตามรุ่นตามไวส่วนศีลธรรมข้าสอนของพระพุทธเจ้าถูกทุกไว้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามอาจตามธรรมศีลพระพุทธเจ้าสอนดีทั้งนั้นไหกัต้องการคลองดีอยากได้คลองดีลูกก็อยากได้ลูกดี ผัวก็จะได้ผัวดีเนี่ยก็จะได้เนี่ยดีแต่การถูกพืชดีปรดิบัิชอบเอาบวควายซําหนึ่งคำนวณได้คือค้นอยากนี้ไผ่ก็อยากหนี่อยากร่ำอยากรวยแต่คว่มสีขานมันพิษกันคนด้วยก็บคนจนพิษกันหลายทะเลาลูกคนจนถึงมันขยันมันวต ม, มันดีโกมูในว่งนั่น มันก็นยังบอลสูบฟลูกคนรวยทีว่าสี่้าดเจ็ดผีจนกับยังลวยกาคนจนลวยมันทํานองนั่นแต่นั่นความดีมันทำย่ากวาการทําความซัวแข่ง้ากันทิ่มีทีใจหน้าสอนตัวของตัวอยากลาอยากลวยอยากสวยอยากงามเหตุตามโอวาลของวุฒิใจเจ้าอยากลวยกับแหยขยัน ขันแข็งทำการทำงานสอนจิตสอนใจคลองสนอยู่สม่ำเสมอความสี่เจ็ดสี่ข้านมันบอ่อพาหายลำหายรวยได้คน่ี่ข่านนี่จะกินแจะเล่นใะ่รับแจะนอนงซื้อมากอะฮะกินห้าเล่นหาเผือดห้าเพื่อนบ่เอาการเอางานเอาทานอันใดคว่ำยางนั้นบ้านเฮียนของเขาเป็นอย่างไดต้นบัตรพลาสถ า, านของเขาเป็นอย่างไดความเป็นอยู่ของเขาลุกดอก สบายตัวระยะเวลาบอ่อยากบ่หิวความทุขกข์ก้อนในบอดีมันหาทุกหาโทษดพายหลังความทุขกข์ก้อนในทุกพายหลังนะ่ะมันดีเรื่องถูกยางมันเป็นอย่างนั่นทันทุกข์ก้อนสีขส่ข่านนอนสะดอกมาไปเห็นเอียงเนาว่าสนมาท่าอยากมากนอนนอนมันบอดเอียงเนส่าะบได้หามาไว้ตื่นมาอยากมากหิว อันใดสีใสปากใสทองโมมี่มนั่นชื่อห้ทุกมีความขี้เกียจขี้ขานมันทนํานองนั้นมันเป็นิดในเบื้องตนแต่เป็นศัตรูในเบื้องป่ายเอาจงขยันมันเทียงก่อหลังสร้างตัวประกอบยุดการงานตามหนาที่ที่เท่าสที่ยงได้ขันเท่าขายัน <c oughs> เอาใจใส่ในการในงานเข่าพร้อเงินท่องมันมีหน้าดอก ยางผวกแกียวเขามาจากประเทศเขามาอยู่มาเศร้าประเทศเศรามาใจมือเป้าหลักเ <c oughs> ขาคองเงินท่องอันไดก็บฏจิตมามาเศราทีเศร้าฐานเห็ <c oughs> ดในที่ดินไรหนึ่งหรืองานหนึ่งสองงานบวชหา น, า น, น้านด้ตั้งเงื่อตั้งตัวได้คือเขาเห็ดอีหลีปลูกอันนั้นฟังอันนี้บ่เลยขาดด้วยด้ว่านที่ดินอันนันผลที่สุดก็นเลย พูดได้ผ่านได้เข่าได้ข้องแหลกขายไปเรื่อยๆนิ้มกันไปเรื่อยมันก็เลยตั้งเนือ้อตั้งตัวได้นี่เฮามันบอ่อาใจใสมันบ่อตั้งใจจิงอย่างนั่นมันก็เลยบ่หล่ำบ่อร้อยบ่อหางบ่อมีให้หาหงอยากมีอยู่หางสี้ผ่านเหตุถ้ามันเป็นสัน่นเ่อไรความสี้ผ่านนี้เมื่อใดมันความมีมันก็มีขึ้นบ่ได้ถ้าเท่าไรคว่ำขี้ผ่านองค์นี้แล้วความสี้ผ่านนี่บ่ดี ทำาให้ทุกให้ยากท่าให้เขาดูมินมินข่าโมเมนทางนํ้มากสุสมบัติเขาของอันใดเขาคิดรับไล่มันไปตั้งใจทำการทำงานตามหน้าที่ของเขาบมยูบัเศร้ามันก็คอยได้มาดอกสมบัติพัดสถานมันไปเหลือวิสัยพอคนมาเลืองงานนี่หละเงินนี่งานบ่มนี้หลืเงินบ่มีีม่ะ เป็นคนอยากคนจนนีซือเรื่องของทั้งนอกหาเขาขยันมันเสี้ยนเข่าของเงินท่องเขาก็มีพราเดีใส่เดี๋ซอยได้จับได้๋ยบายโมอดยากยากจนหาเข้าโมขยันมันเสี้ยนอั่างไรอยากได้แต่ของจบของเฮียอยากได้ทา้งรัดไปปุ่นไปจีไปขาไปสีไปเล่นไทยเรนโบเรนบัสเล่นเบ้อเอา มันสีลวดง่ายเนี่ยซึมงนิดหน่อยๆก็ได้ไลายนั่นแหละมันจิบหายพอเหลืองอันนั้นอย่าไปคิดไปปุ๋งโมมีผู้ใดเด็ดเป็นเจตผีพอการฝนั่นบมมีผู้ใดเด็เป็นเจตผีพระการผลการฉี่กันหลักการขโมยดอกนอกจากคนนั้นมันสีทุกสียากลาบากลำข้ามซอไปในปัจจุบันก็ทุกคนหลักคนขโมยคนฉี่คนผล หากันข ย, ยันมันเทียนทำการทำงานด่านอื่นคือมันไปลากไปปนไ ป, ปน อ, อยู่ไปขโมยมันกับพ่อป่าพ่อท้องมันยุตั้งขึ้นบ่ได้ยุละ่ะไก่ไก่ป็นได้ก็ด่านโดนไปบ่ได้ย่านวะนี่สิกัดเขื่อสิจินเปินได้ หมุนลงหมุนปลาปลายไปน้ำถนนท่อนข้างมันหยาดก็เห็นฉันมันเหตุการเ์ีหตุงานอันอื่นเอาใจใส่เองสั่นมันกระพัเป็นเพระไปอยู่นี่มันเป็นไปบ่ได้เพราะมันขีข้านท่างชัวท่างเสียมันสัยินดีนี่มาฟังเทตฟังธรรมในวัดในว่าคือกันมันลําบากลำข้าววัวสิเโามาได้ฉันว่าหนังบานได้ว่าไก่บานได้ก็ไปได้เยักษานได้ก็ยูได้นี่ใจของเฮ้ามัน ตามมันเสื่อมมันเสียไปในทางตัวไอแก่ไขจิตใจคลองเฮ้าบอยางนั้นเท่าจิตเสื่อมแต่งแจเรื่องท้องใจว่ามันอยากไปอันไดก็ถือเส็จไปนํามันไปน้ำมั น, นมั น, มนสิไปดูทางตำ้ำทางเสียเรื่อยไปถ้าแก่ไขปรับปุงจิตใจคลองเฮ้ามันจิตที่เจอหน้ามันแก่ไขส <c oughs> ิงใดมันบ่ดี กะหลีกเลี้ยงละเว่นมันไปอยากได้ดีสองท้ำดีนี่ดีแล้วสองรักษาดีเอาไว้บ่อย่างนั่นมันก็เสื่อมกะเสียไปอยากได้ดีบ่ทถ้ำดีเด่นดีมันก็บบ่เกิดขึ้นไหเข้าสอนตัวก็เข้าย่างนั้นอยากหนี้กะให้ทยันมันเสี่ยนอยากดีกะให้ละเรื่องตัวเรื่องเสียตั้งตนีชื่อถ้ำจิพระพุไตเจ้าสอนพวกเข้า ความดีที่เฮาสั่งไหวทำไหวไปัจจุบันท่านตาจะเป็นผลเป็นกำไรทำให้คนรักใครทำให้คนเหลื่อมใสทำให้คนไหวเหนือเสื่อใจหากเฮาบ่มีความดีอันใดในตัวของเฮามีจังแจความตัวไปแต่ฐ า, านที่ใดใช้กับว่าอยากไหนพักให้อาใสใช้กับว่าอยากคกค่าสมาคถมเพราะความตัวความเสียของตัวมันจะไปเปลี่ยนไปเปี่ยนมู เขาจะมวยอยา่างหายยู่ให้ผักหาอาศัยน้าแต่หนันควม่มบอดีคว่ำตัวนั่นหากเขา้าําำลงไปบ่แ ม, มน่นเสียต่งางแจ่เฮ้าเสียทางวงสกูนเสียทางโมู่บ้านเผัว่าบ้านนันตัวผู้ยิ่งตัวบ้านหนันตัวผู้ชายตัวขีกกระมวยมันละเสียไปหมดทางโม่บ้านทางผู้บาดจาย์ทางพอทางเมีลูกบอดีคนบอดีมันขายทีนา หากหลุกดีคนดีเหล่านันมีหนามีตาไปสถานที่ไหนก็บ้านนั่นตัวบ้ า, บานนักป่าอาจารย์บ้านนั่นตัวบ้านผีบ้านท่านบ้านเขาว่าหน้าเขาก็ว้าไปบ้านนั่นตัวบ้านเศรษฐีผมมีคนอดพนเกินพ้นสันขันแข็งในการในงานเขากลาสันและเสริญทันทันที่ทั้งหมู่บ้านมันก็เป็นเดือดกันทุกทว น, นาดอกนัเก็นเป็ น, ป น, ปนบาง อยบบู่บางหน้าบางผูกบางค้นแต่มันกับผ้าเสียไปเพนจังวา่าปลาตัวเดียวเนาว่าคับของคือ่วาเสือของคนคนเดียวผ่าตัวหเสียไปในส่วนใหญ่แต่นั่นเห้าทุกคนให่ผ้ากัน <c oughs> ละมัดระว่างพอเห้าเป็นผูนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้หู้บอมันสอนให้เห้าหลงจริงใดมัน ตัวมันเสียแต่ให้พักกันกําจัดปัดเป่าออกไปยิงใดมันดีเน้นยิดใจเขาบริสุทธแต่พักกันตั้งยึดตั้งใจแต่ทาความดีนนั้นให้มันเกิดมันเป็นมันเห็นมันหูในตัวของตัวต่อไปมันเคลื่อยหลือมันก็ดีดอกทําง่ายคนบุญหาบุญได้ง่ายคนบาปหาบาปได้ง่ายคุนว่าเอาปัดฝึก ตัวข้องเฮาให้เป็นบุญเป็นกุศลพอเฮาทุกคนเกิดมากมีความแจ่ปิตามมาทุกระยะทุกเวลาทุกว่วมหายใจแล้วความตายจาถึงเข่าบ่หมืน่นได้แต่มือนนึงเฮาบ่สสแวงหาความดีเอาวไว้เป็นผลเป็นกำไรของชีวิตนั่นก็เสียไปในชาติหนึ่งเกิดมากบริสั่ ง, ง, ค, งคุณงามความดีอันใดตายไปก็เสียใจ คุหน่อยมันกระจายได้คุณใหญ่มันก็ตจายได้มันบริเวรนาบว่าพระว่าเนีนวาทะเลวากหยาดย่อมตายกันอยู่เรื่อยๆความตายมันแขนข้อความตายหนีแขนข้อถูกบานยางตื้นหรือเสาเห็นหนาจังวายนั่งคนว่าคือมันแขนข้ออยู่สั่นมันบนนี้ไปใส่เข้าไปทางไหนมันก็ไปน้ำห่อนอนมันก็นอนน้ำห่อนางมันก็นางน้ำนี่คือความตายทุกข้นจะต้องตาย โมมีภูริสิยุข่ำฟ้าเมื่อตายไปทางศาสนาทางบัณฑิตอาจารย์เพิ่นซ้อนไหวาบุญกุศลนั่นหละเป็นส่วนสองของเฮ้าที่สำคัญมากสามารถที่นั่เฮ้าหาัวใจสูสถานที่ดีสติีที่งามได้เพราะบุญกุศล ส, สางไห้เขาอยากเป็นคนดีอยากมีความสุขในชาติหน้าะส่้างเอาไว้คุณงามความดี อย่าไปสีเกียดส์สีข้านอย่าไปซื้อว่าเป็นหน้าชีของผู้เถ่าผู้แก่ไห้ซื่อว่าเป็นหน้าชีของเฮ้าพราะชีวิตของเฮ้ามันตายได้เชื่อกันกับผู้เถ่าผู้แก่มันบอกมปน เ, นเถ่ามันแก่ซะก่อนมันจกิสิตายสุ้ขนสุ้รายไปมันตายได้เมื่อมันตายได้ความดีข่งท่านเลยสร้างไว้มันตายไปสิไปอาศัยเอยียงหรอโมมีสี่พื่นสีอาศัยมันกัลบลาบาคนสียู สะดวกสบายใดตรอมี้ที่ถึงที่อาศัยความดีเพียงควัน่างไหวอบร่มไหวที่นี้ที่จะหน้าไหวในกายในใจของเท้ามือหนึ่งเป็นมือเทศกาลงานเขาศาเป็นว่าในปีหนึ่งแต่มีมือหนึ่งเท่านั้นละ่ะเันว่าเป็นมือปล่อยสัตว์นรกออกมาหลับทยชานจาก ลูกจากหลานจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องเฮ้าโมนีตาทิบโเห็นพวกเพลิดทั้งหลายพวกพีทั้งหลายมารับทายชานจากเข้าแต่พระพุทธเจ้าหรือภูมิมีตาทิบเพลินเห็นมาพวกเพลิดพวกผีพวกพีพวกน้องพวกพ่อพวกแม่ภูญะจ้าถวดต้องเฮามารับเอาวุญกุศลจากเฮ้าในมือนี้ เขาทำคุณงามความดีให้ท่านสวายคของบอกว่าสางปลาอาหารจึงของเสียห้าสวายท่านพวกเพจทั้งหลายพวกพีทั้งหลายไม่รับเอาไปเัือสิเด็ไปใส่ไปซอยไปอยากไปกินพวกพวกนั่นบ่บมีการทำมาหาอย่างสิบส่วนอื่นอาศัยตั้งใจผลบุญคนผูน้สนคนอื่นสิอุทิศให้ นอกจากนั้นบ่มีท่างสีสางเอาได้สีมะหายทา่านมากาบมาไหวพระเจ้าพาระสงฆ์มารักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามาบ่ได้เพราะกรรมผูกไว้เรื่อยไปสู่ทางดีบบ่ได้มีแต่คอยสายจินจากคนอื่นอยู่อย่างนั้นนั่นคือพวกเทพพวกทีสิลมหายายไปสีบ่มีทุ่งง่ามความดีอันใดได้รับทุกรับโทษ ลำบากยากเ ย, ย็นหลายตายก็บอกว่าตายทานทุกข์ทรมานอย่ยังนั่นแต่นั้นบ้านนี่เป็นบ้นเขาสากเพื่นรัสานเพื่นรับที้เพลศพเขาสาบเพ่นวยคือเพลลอยที้เพลมาจินเขาสากเหกือนเท่าทุกคนที่ได้ท่าบุญต้นท่านให้อาหารเขาหนามเจ่าเจ้เจ้าอุทิศบุญอุศน จิตตนเลยถ้านั่นไปให้พวกท่านเล่านั่นให้พระเจ้าจได้รับผลบุญจี่เฮาหูทิศไปให้จิตมีความสุขกายสุขใจคือเฮาทิศไปให้ได้คิดได้ใจเท่านั้นนะพวกนั้นก็ได้รับมีความอิ่มหนำซ้ ำ, ำล้านมีความสุขความสบายเพราะอาหารของเพจอาหารของเทวาดาเป็นอาหารจิตสำเร็จเดชทิศ มันเป็นอาหารสี่เฮาเืนยกไห่ช่วยเจ็บปเภทมนุษย์ประเภทสัตว์เฮาระลึกนึกถึงผู้ใดอุทิศบุญไปให้ผู้นั้นก็ได้รับหากเป็นเพจเป็นผีอยู่เฮาทุกคนบราปัตนาอยากเป็นเพจเป็นผีตายแลวอยา่าไปเป็นเทวดาเทวบุตรอยู่ปราสาทปีม่ากรูสบายบมั่ามวามแจ มาเบียดเบียนบ่มีโรคไข้มากรังคว่วนหนูชื่อพวกเทวดาเทวบุตรเกิดขึ้นมาแต่บด้เกิดในท้องในขั้นของฟอของแม่เกิดโดยบุญโดยกุศลเป็นว่าอุปติกะรเพื่อเกิดพุ่ขึ้นเกิดในปร า, าสาทของผู้ใดจะเป็นบริษทัทบริวารเองผู้นั้นการเกิดก่อนเขาอยู่ในปร า, าสาทของตัวเองแต่เป็นของของตัวคนอื่นที่เขาไปเกิดรวมปร า, าสาทนั้น จะเป็นบริว่านของผู้นั้นเทวดานัน่นอายุกับยืน้นอยู่กับสุขกับสบายหลายเป็นจังหวะสุขคือเทวดาง่ามคือเทวดาโบมีเถามีแก่คือเห่าเป็นผู้ทรายจะเป็นผู้ทรายง่ามเป็นผู้ยิ่งหรเป็นผู้ยิ่งง่ามรูปร่างกลางตัวของเขาสีสันวัตนะเหมือนเ่าวงพิลาบคนนะงกเจนแก่มันเ่าวแดงแดงจูบขามันแดงแดง นี่พิษสันของเทวดาก็เป็นอย่างนั่นเอาว่าเคยเห็นเทวดาเห็นแต่จกคนงามธรรมดาอันจะเป็นงามแค่เทวดานี่เหรอนั่นนะเทวดามันงามกว่าคนธรรมดาหลายพิษเท่าหลายร้อยเท่าโดยเป็นงามธรรมดาแต่แกซู่นเป็นเทวดาแล้วลูกคนไปบวชอยู่ในศาสนากระสันอยากซื ก, กอไม่อยากอยู่ไม่อยากปลูกพปฏิบัติทําดีไงต่อไป พอใจไขจ่ติดติดของน้าเลี่องของโลกอยากซึกหาลาพลดออกไปนี่เดี่ยวมีเนี่ย ม, มีลูกนี่เมียแม่นึ่งเห็นสงสารลงมาว่ามาจา่าเพื่อเนสอนพระองค์นั่นลูกใตน้นให้หายซ่อมกระสันอยากซึกงให้เศร้าอยากซึกเบ้าให้ได้ยิี้ลูกกะฟังได้แต่ลูกพอเห็นแม่ เจ้แม่ก็บอกว่าเล่าเนี่ยเป็นแม่ดีมานี่ก็เชื่อป่าชนะดีเ่อยากให้ลูกกันทุกหยากลาบากพึกออกไปคิดกับบ่ได้รักษาภาวนาก็บบ่ได้บำเท่นความทุกข์ความอยากความลาบากสั่งกำท้ำตัวมันสีมากที่หลายพัวการบวชอยู่ยังไหก็ให้วดให้ทนเอาลูกได้ก็จะเห็นหนาเน่ยว่าแม่เป็นผู้ยางไหนเป็นเทวดา เลยบุญเลยอันนี้สงจากอันไดยังเลยเป็นเทวดาแม่ก็เล่าบุพกรรมอยู่ท่ามาให้ฟัง่งได้เลยหายทางได้รักษาศีลใจเหมือนยังมีชีวิตอยู่บุญกุศลทวนั่นละ่ะทรงไปหาเกิดเป็นเทวดาแจส๊สให้ลูกใต้เห็นเห็นว่าได้เพราะเทวดานี่ง่ามหลายท่านเห็นหรอใจมันสีกําเริกมันสีอสสีทนว่ได้ มันสี่ีความกำนัดยินดีในรูปในกายพุงเทวาดาหลายพอเป็นพระผู้ทุชงท้ น, นยุคส็ญญ์แล้วสิเกิดกำนัดยินดีเกิดความข้อใจในรูกพุงเทวาดาจิตปกติห้ามจิตห้ามใจว่ได้แน่ก็เลยสอนให้บอกให้หนีพุทธิวาดาไหมว่ะความว่าคนง่ามง่ามหลาย เป็นผู้ยิ่งกับงามเป็นผู้ท่ายกงามโาครคไข้ไข้เจ็บบ่มีโรงพยาบาลรักษาบ่มียุกมียาอันใดโปรบไข้บ่เบียดเบียนปวดเทวดาความเป็นอยู่ห่าพรานทอนสบายอยา่างใดอันใดกระไหลมากร่อยมากอยากกินอันใดเสียงนั่นกับมีมาหายบ่ได้ไปทําหน้าบ่ได้ไปขาขายบ่ได้ไปทําราชการงานเมืองยังมนุษย์เท่า นี่คือพวกเทวดาผัวบุญปกปูชอุดคิดไหวท่ำไหวมันเกิดผลให้นี่ความสุขกายสุขใจร้ายคนทั้งหลายจึงตายยังเดียวไปเป็นเทวดาเพราะมันสุกมันสบายอายุก็ยูนโรคไข้กระโบมีอยู่ไปอยู่ในสถานที่โอ้ทงสวยง่ามบ่ได้อยู่กัดดินกินกัดหย่าคือมนุษย์เท่า แต่ผู้อยากได้กับผ้ากันทิ่มีที่แจหน้าทำคุณงามความดีเอาไว้ผู้ที่ทำความดีเท่านั้นแหละที่ได้ไปเกิดในสถานที่ดีเป็นเถรพระพุทธเถพธิดาได้คนที่ทำความชั่วบ่มีท่าที่จะไปได้หากอยากเกิดอยู่ในมนุษย์สโลกต่อไปอย่าเป็นคนดีนี่สิสันบรนณะสวยงามมีความรู้ความตลาดมากจะให้ พึ่ ก, กายพึ่ใจของตัวให้ดีให้ชอบความสะอาดอย่าเป็นคนชอบความชกกระโปความชกกระโปกวันบกงง่ามถ้าไปเกิดในศาติหนามันกระโบดไอ้โกง ง, าง่ามถ้าห้องทําสะอาดไปอยู่สถานที่ใดย่างบ่านอย่างเฮียนโองเฮาให้ปัดให้กรวดให้สะอาดเหยียบลอยสวยงามหนานั่งหนานอนผ่าแค่หมุงมานกใส่ซักให้ฟอก ใหมันเท้ามันง่ามให้มันสะอาดตลอดถึงถวยบ่วงหมอไหเครื่องใสในบ้านในเฮี้ยนก็คือกันให้ล่างให้มันสะอาดคนผีนี้ความสะอาดทำความสะอาดสวยงามอย่างนั้นตายมาเกิดใหม่มันจะได้ข้องง่าม <c oughs> นี่มันจะได้ใจง่ามใจบริธรความสะอาดทันปัดเฮี้ยนว่าสันกะขวด ดลาดด่ลาดไปถ้ามันเกี่ยงบเกี่ยงบางที่ก็ขวดโบขวดมนเลยสีน้ำมันไดเป่าโผ่คือเฮียนมันป่วยมันไข่พดนั่งทำนองนันมันกนี่ท่านวดแล้วกวดตอมไปในแก่นะอุยอญาอยู่หันขี่วดลงล่างลงนั่นก็บโบวดมันก็บ่ริษพอ้ามาย่างนั่นท่านหมอกท่านหายทนถ่วยท่นจานมาท่นก็ล่างก็เอาเดอยวะล่ะทองน้ำใสแจ๊ แนลดแหแบบแต่ลงตะล่างคุณหลายๆเสียหลายๆชีเถักอันไสอันไดนขีกระืนสักเียมกรอยูว่าขุนดอกทางเมืองอุบนขุนบ่าเงนบอชทางมันทุกคนเขาเด้มันขี้ายเหบ่สวยบ่งามกาเบ่สวยบ่งามมันสั่นใส่อาหารการกินมันกระโบเสบได้หระคนอื่นไปเห็นเขาเขาก็ตัมนี้โอ้ยจะมันขี้เกียจขี้ขันบานอันเหียนอันมึงเีนมาสั่นหาบอลจดังกระบมี นี่แ่เจ็กขีพุ่นขีฝอยเบิ้งเฉยเบิ้งจานว่าสินบลรางจ็ดเชียดูดอานลากจ็ดอียงต่ออียงเข้ากระตั้มหนีมันบองงามหงงามตาของเขานอกจากนั้นความบองงามของเข้าขีต่างไวัยคนเจริดีคนกระไรสอนด้เสร็จบองงามวัยสันต์ค้อยิ่ง่าสันก็ได้พัวก็ได้พัวบองงามหันเจ้าแม่นวดแม่นเข้า โมเป็นตาเต่าเบิงล่ะงามพ่นจุกพ่นส้มกันปันรวมสนามาบนางอะไรพ่นมามันหนวดมันทางมันแขงเนี้ยมันบมเกี่ยงโมเก่าเห็ดสีลายไว้เดลูกมาว่าแต่จะจัดจีมูกจีตาโน้มห่ยง่ามยางโมทีู่ดได้หยาดแซบอยาดบายอ่ะพอเห็ดโมงามไว้จัดจีมูกจีนี้แห้งมันบบนี้มนไดมันสวยมันง่ามให้นี่คือต่างความโมง่ามไว้มันไดความโมง่ามมากมมันไดมา เ้าผู้ใดได้ไดมหมฮะเข้าผู้สัางไวหวนั่นแะมันจะว่าให้สั่งจีงสีมันดีไวหวถทาไม่มันงามไวหวถ้านั่าตอบงา่ามแต่ถ้ามันงามมันจะเสด้ของงามเป็นส่วนตอบแค่นเข้าท้ามของผู้พูดจะเจ้าพันสอนยางนั่นอยากได้ดีห้ามดีอยากได้ดีไปท้าสัวนันบ่ได้ดีข้าบ่จะได้ตัวจะไปท้ามสัวถ้ามสัวไหวมันจะได้สัว สร้างพระคิดศาสนาเพจยนยว่าตาดีสังและพระเจ้ที่ทั้งยาติดสังและพระเจ้ที่ทร้างตาดีสังและพระเจ้าพลังกัลญาณาการาากีกัญยาณั่งปาปาการีเจปาปะกังนี่เป็นภาษาบาลีคือค้นวานพืชปลูกพืช อ, อันใดไหวก็ได้ผลอันนั่นเป็นเครื่องตอบแท่นมาสันพจนว่าห้อปลูกข้เจ้าก็ได้ข้าอย่า เ, า เ, เ้วก็ได้ขอ่อยาวหเอาปลูกทั่วก็ได้ทั่วห้อปลูกงาก็ได้ง่าบริเวปลูกบกทั่วสิไปไดบ้บก ง, งา บอกเผ่าจะไปได้บักสานปลูกอันนด้ไว้ได้อันนั้นมีการทำความดีไว้กรได้ความดีเป็นส่วนตอบแทนการทำความซัวไว้กระด้่ความชั่วเป็นเถื่อนตอบแทนอันบนนี้ไปใสเป็นจังหวะเป็นผ้าคิดใยยางนั่นนอกจากนั้นผ้าคิดเมืองเท่าผ้าคิอีสานเท่าคนตะวัาไว้อีกเพือกัน ใช้ภูถ้ำดีไหวความดีสิบขึ้นตอบใช้ภูถ้ำตัวไหวคว่ำห่ายสิครอบถึงขอแต่เมื่อวานี่ก็เป็นพาสิตอันเดียวกันท้าความดีไหวความดีเนี่ะมาตอบสนองห่ายได้รับความสุขความเจริญสมคว่ำมุ่งมาศาชนะแต่ถ้าความตัวไหวกับความตัวเนี่ยมาตอบไห้แทนเฮ้าได้อันใดมากแต่นี่ต่างใจเรื่องตัวเรื่องเสียบันมีของเล็ของดีของตัวผููแลก็บอวายได้ตัวละ ใช้เสียกได้ของตัวของเสียตังเจของเนา่าของเหม็นเท่ากย็ยังไม่ก็ได้แล้วเท่าสิไปทําตัวของเท่าให้ตัวให้เสียให้เนา่าให้เหม็นมันต้องคว้านหรืหอเท่าก็บต้องสอนตัวของเท่าทุกคนครับถ้าการที่มีผิดใจหน้าสอนกายวาจาใจของตัวใส่ละตัวบำเพ็นดีต่างนาต่างตาอุตสาหพยายามทําความดี อยู่เรื่อยความดีที่เขาทาอยู่วายุดวาถอยทีเด็กที่น่อยคือกันกับเขาเกี่ยวเข่าก็ไปเหมือนอันนี้ก็ไปต้นนี้เนี่ยไลยเชียเข่ามันก็ได้หลายพ่อก่ำพ่อฟอนพ่อมัดแลว้วหดทงหดหน้าเพราะเกี่ยววัเศ้าเกาะว่วยุดบาถอยที่ทําความดีก็คือกันที่เล็กที่หน่อย เมือนั้นแน่ยเมื่อนี้เนี่ลยลร้เทีลยลไรที่ไปความดีมันกะสะวีคูุ่นขึ้นใหญ่โตขึ้นได้ฝึงได้อาศัยแต่นั่นเท่าสองสอนกายสอนใจของเท่าขยันมันเที่ยนท่ำความดีเอาไว้อย่าไปคิดว่าความดีมันบน่มีฝนอันใดดอกท่ำแล้วก็บโมมีคนขาตอบแทน่นยังถ้าคิดขี่บ้าสมัยไปเจ้าบันท่ำดีได้ดีนี่ที่ไหนท่ำชั่วได้ดีมี ท, ไ ท, ไ ม, ทมไปนั่นถ้าสาบ้า มันบอไม่เงอกท่าตัวสิไปดีดีท่าดีสิไปบอเกิดผลอันใดมันบอไม่เท่าดีมันเงยเป็นดีอยู่ลาโบเสื้อก็ไปดาเขาไปตีเขามึงดูเขาสิยกมือไหวเขาสิให้ชาจ่างล่างว่านมาเจ้าะซี่อยคอยเทีหยงล่างว่านเจ้าเจ้าดา่อย่อยเที่ยงล่างว่านเจ้าเขาเสียหายยังสั่นบอแต่ท่ามตัวท่าเสียกับเขาเขาบให้ มีแต่เข้าสีจีตอบดาตอบเท่านั้นส่วนท้าคว่ำดีกับเขาเหระความดีสี่เข้าท้ามไปเข้ากล่าวเข้าไหวเขา้ายกมือหรือหายค้องเขาเขากับสอบต้นเขา้าเขา้ายกมือไหวตอบนี่คือความดีสี่เข้าท้ามไปแม่งจะเห็นผลประจักษ์ยู่ในปัจจุบันนี่แหละโมเดิเสียเดี๋ยหายไปสถานที่ใดแต่นั่นจงฆ่ากันเพื่อหมั่นในคว่มดีสี่พระพุทธเจ้าสอนไว วุฒินี่ความดีอยู่ในกายในใจเท่านั้นแหละเป็นกําไรของชีวิตจะไปสถานที่ใดความดีจิด ต, ต่อยหอยตามไปเขาลงห่วยความดีกะ็ะิบไปบ่เลยลําบากยากเย็นไปสถานที่ใดเพราะเ่ามีความดีไปจํากายประ จ, จําใจของเขายึดแล้วก้วานทั่วไปวุฒิเขาป่าจนะน้าความดีก็ก็เหลื่อมใช้ซักท่า หรือเป็นมือเป็นคณะไหวเนื้อเสื่อใจนี่การนงานอันไดก็ให้ทํานี่อยากใี้กินอันไดกันอยากให้กินพรอเขาไหวเนื้อเสื่อใจเขาถือว่าเป็นต้นดีเขาเขาเห็นวะเขาเป็นค้นตัวหตั้งแต่บ้านจะเหี้ยนต้องไปอยากให้กินเด้กประหยากไปรักไปขโมยไปขี่ไปป่วนเขาแต่นั้นเขาอยากเป็นต้นดีกันถ้ากันละมาละว่างกลมตัวเอาไว้มันอยากทํา แต่ยายให้มันทํามันอยากพูดแต่ยาให้มันพูดมันอยากคิดแตห้ามคิดห้ามใจเ อ, อาไว้เพราะจึงตัวตัวนี่คือไฟใหม่เสาความดีของเฮาหเหขามีสติมีปัญญาดูแลรักษากายว่าใจาใจของเฮ า, าอยู่ยางนั่นเหนือนทุกข้อนพยายามละตัวบําเพ็ญดีความคุ้ความเจริญคือตัวปาา่าถนะมันคงจะเกิด นีม่มากแกตัวค้องตัวเรื <Yeah. S 1> อ่องธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเท่ามีเหตุมีผลบมเมนสอนไม่มีเหตุมีผลผู้ใดสร้างแล้วนําไปตปัวพืชปฏิบัติความตัวอย่าไปเี่ยวขวางแท้ต้องหรือฝืนทำความดี บ, บังคับให้มันเหตุมันทำมันปวดมันคิดในเรื่องดีๆนั่ น, น, น ามดีกับสีเทาขึ้นสุดเท่าไปเดือดขึมน้าอาศัยก็ดีต่อไปอาการอาธิบายธรรมะเขียนมาพ่อทรองก้นเจลล่าคว ร, รคกระตุกเอาละเนาะ